มองดูอดีตก็คือทุกที่รวงมาแล้ว อ, อันนี้จังที่รวงมาแล้วเกิดดับที่รวงมาแล้วสังขารที่รวงมาแล้ววองทุกที่รวงมาแล้วมองดูนาคเก็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันทีนี่เมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความเพลินในวาตาสงสารจะมาจากประตูไหนอีกใครจะมาโกหกพ ก, กลมได้ทีนี่ถ้าอที่เจ้าหาความสุขในใจโลกธาตไม่พบไม่เห็นท่านจึงยอมจำนวน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 สังคมนิยมอ่านว่าสังคมนิยมนิยมในโลกีนิยมในโลกุตร ะ, มะเมลังวันมันก็อ้างสังคมนิยมของมันมเมลังพู่งเมลังพึ่งมันก็อ้างนิยมสังสังคมนิยมของมันมันก็อ้างประชาธิปไตยของมันเหมือนกันแต่เหตุผลเป็นคนละทาง มันก็อ้างคนหมู่มากเขาชอบอย่างนี้เรียกว่าสังคมนิยมแต่ละอย่างละอย่างก็ออกมาอ้างใครอยู่ในระดับใดก็เอาระดับนั้นออกมาอ้างใครทําอะไรในโลกต้องเอาความจําเป็นออกมาอ้างถ้าโฉดาวันก็เอาความจําเป็นออกมาอ้างว่าเราจําเป็นจะถึงพระสัทกทาคามีพระสัทกทาคามีก็เอาความจําเป็นออกมาอ้างว่าเรา จะพยายามไปถึงพระอนาคามีพระอนาคามีก็เอาความจาเป็นออกอ้างว่าเราจำเป็นจะต้องถึงพระหรหัน์ทุกสิ่งทุกอย่างใครทำอะไรก็เอาอ น, นั้นเราออกมาอ้างความจำเป็นมีอยู่ทุกระดับแต่ความจำเป็นในทางโลกุตระเป็นหน้าที่ของพวกฝ่ายโลกุตระ ความจําเป็นในโลกีก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่สร้างโลกีผู้ที่ยังติดอยู่ผู้ที่ดอกบัวยังอยู่เสมอน้ําผู้ที่ดอกบัวเป็นตูมก็เป็นไปแบบหนึ่งผู้ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกบัวสี่เหล่าไม่มีแต่ข้างพุทธการั้งนี้ก็มีเหมือนกันดอกดอกบานก็บานเต็มภูมิ ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิเสมอน้ำก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกดอกใต้น้ำก็ใต้น้ําเต็มภูมิดอกบัวแต่และดอกค่อยๆกับแต่และบุคคลกอ่อเดียวกันหมายถึงคนทั้งโลกเราจะไปยืนยันว่านักผลนิพานหมดแล้วไม่มีดอก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 ถ้าเราอยากเห็นพระอรหันเราก็ต้องเป็นพระอรหันเชี่ยก่อนถ้าเราอยากรู้ว่าเกลือเค็มหรือไม่เค็มเราก็ต้องชิปดูเชียก่อนให้คนอื่นชิปแทนไม่ได้ไม่พ้นสงสัยอีกแล้วเค็มขนาดไหนเค็มขนาดไหนเมื่อไฟเมื่อเมื่อเมื่อไฟไม่อยู่ทุกการ น้าสำหรับดับไฟก็มีอยู่ทุกการเมื่อความโง่มีอยู่ทุกการความดับความโง่ก็มีอยู่ทุกการเราเกียรติข้าศเราจะ อ, าอะไรเ อ, เอาอะไรมาชนะแล้วก็เอาความหมั่นมาชนะเท่านั้นเราหลับตา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 เพราะเรามีสิทธิ์แล้วคํามาสันคิดที่โกปล่อยให้มีสิทธิทุกๆ ท, ท่านในพระพุทธศาสนาเห็นเองปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองพระพุทธศาสนาให้สิทธิทุกๆ ท, ท, ท่านแล้วให้สิทธิอยู่ในตัวไม่ไม่เป็นพระพุทธศาสนาที่มีสินจ้างรางวัลจะไปจ้างคนมีกิเลสจ้างเท่าใดมันก็ไม่พอพระเมืองพอไม่มี พูดแต่คนเดียวแหละครับในเรื่องธรรมบทมันมีนะเขาเอาช่างดีดกวดมาเขาดีดที่แพะเข้าปาก <cl im ates> <c oughs> มันมีในธรรมบทที่นี่อะไรถือเป็นคนกันเองเลย คือเป็นคนเรินกันเองเลยในทางธรรม ะ, ะใครไม่สิดอะไรก็ป่าแล้ว ท, ทำไมหลวงปู่ถึงมาที่ปู่เจ้าก้อนนี่ครับเ อ, เอ อ, อดีดีขอบขอบคุณก่อนที่จะมาในปู่เจ้าก้อนนี้เนี่ย นนึกว่าเราออกบวชในวัุทธศาสนาเราหวังพ้นทุกข์ในวัฏทรงสารเป็นหลักหัวใจของเราอยู่จะพ้นหรือไม่พ้นเราก็ไม่ตีตนตายก่อนไข้เราต้องภาวนาประจำวันมีข้อวัดประจำวันมีชุดวงควัดตามสติกำลังของตนที่นี่ เราอุปสมบทมาัง 2,486 เป็นมหานิกายถ้าเราจะออกมาเป็นธรรมยุทธ์ก็กระทบกระเทือนท่านอุปชายะเพราะท่านอุปชายะเมื่อได้ทราบว่าเราจะบวชท่านก็เปิดทนทางให้จำเป็นก็ต้องบวช ด, ด้วยกับท่าน2พันษา พรรษาที่หนึ่งเรียนนทกธโทรพรรษาที่สองเรียนนักธรรมเอกแต่ว่าสอบปล่อยในวัดโพธิสมพรเมืองอุดรธานีสมัยนั้นท่านเจ้าคุณทําไปเกดีเป็นเทพกวีย้อไมทาทันเป็นท่านเจ้าคุณทําไปเกดีพอสอบโรงเรียนแล้วเราไปนั่ง สอนนักธรรเอกกับสามเนียนนักเนียนสามเนียนตัวนิดนิดมันไปนั่งเก้าอี้ใกล้ๆนึกละอายมันเออพระสวัสดาบันชกทาคามีอนาค า, ามีท่านก็มาเห็นว่ามีใบประกาศสัญญาในบัตรแล้วก็ต้องบวชภายแก่ในชั้นอายุสามสิบแล้วจะมาเล่นอยู่อย่างนี้ไม่ถูกจำเป็นก็ต้องยักติที่นี่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 เออนี่ไม่ใช่เราเราภาวนาเช้าลอยเราจะได้กำลังในทํานในเหีียวกระมังพระจึงพิ้พหน้ายืนจะพาบาทยืนเรีย บ, ยบมาให้เราเห็นอย่างนี้นึกใส่ตนเองทีนี้พอนึกอย่างนั้นแล้วก่อนนิมิตก็เลยหายไปที่เรื่องนิมิตนี่พูดหมดคืนมันก็ไม่หมดนี่ที่จะผ่านไปทีนี้ พ่ออพรนษาแล้วก็ลาท่านจะมาหาหลวงปู่มัน่นพ่อตกถึงหลวงปู่มั่นก็เป็นระดูเป็นระดูร้อด2 4 8 9ก็มาอยู่กับองค์ท่าน ขอมอก่ายถวายชีวิตต่อองค์ท่านอยู่กับองค์ท่านที่นี่มีหลวงปู่มหาอยู่ด้วยหลวงปู่มหาบัวอยู่ครอบด้วยและโศเป็นเชื้อตายก่อนที่จะไปหาหลวงปู่มัน่นก็เที่ยวติเดินโดยฟีเท่าแต่อุดรนจนถึงธาตุพนม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 มาจากถ้ำพะเวศผมทีนี้ภาวนะพ า, พานเป็นยังไงแต่ความจรินเราภาวนาได้ความแล้วแต่เราไม่พูดเพราะเราไปใหม่ๆก็ค่ายก็ว่าจะไปอวดดีกับท่านพูดอยู่ก่อนก็เลยเก็บไว้ก็ตอบแต่เพียงว่าเห็นว่าได้บุญก็ภาวนาไปตามประสาอย่างนั้นเราก็รับเราไม่ได้ความอะไรดอกพูดไปเราเอาไว้ข้างหน้าซะอยู่ไปนานเราจึงจะกราบเรียน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 ภูเก็ตพังงาก็เลยไปภูเก็ตพังงาสามปีก็เลยขึ้นมาขึ้นมามาอยู่กับหลวงปู่มหาบัวอีกที่บ้านหอยทายในสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่มหาบัวเป็นผู้ควบอยู่เหมือนกันเป็นมือขวาได้อาศัยท่านเหมือนกันไม่เข้าใจอะไรก็กราบเรียนท่านทีนี่ <c oughs> พอมาอยู่ที่นี่ อยู่กับท่านอาจารย์มหาบัวสามปีอีกรวมเป็นเจ็ดปีเจ็ดปีกับที่อยู่ควบกับหลวงปู่มัน่นเพราะอยู่กับหลวงปู่มั่น4ี่ปีปีที่ห้าไม่ได้จำภรษาปีที่ห้าชาปรรกิจแล้วก็ลงไปเพะสองพันสรยเก้าสิบสามเป็นถวายพระเพลิท่านสิ้นพระชนมายุสองพัน้ยเก้าสิบสอง ในเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาธันวามกราเก็บประสบไว้ถึงสามเดือนมันก็ต้องเป็นปีใหม่ที่นี่เป็นเป็นอย่างนั้นจึงตกลงว่าชาวอังกฤจถวายพระเพลิง2493ที่นี่นายยงห้ซายกับหลวงปู่มหาบัวอีก ก็มีเพื่อนมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนหลายท่านอาจารย์ชิงทองบ้างท่านบุญเพง่งท่านท้ำกองเพลนบ้างคราวอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านบุญเพง่งก็เป็นสมานิยท่านบุญเพง่ทเพงที่ท้ำกองเพลนได้ไปนั่งฮัตถบาส ท, ท่านอยู่ เป็นพระอันดับท่านเจ้าคุณธรรมิเจดีนี่มณมานี่มณมาบวชนี่มณมาบวชที่บ้านน้องโดกอาเภอพนน่าหลวงปู่อ่น อ, านนาน อ, อนเป็นผู้สวดกำวาจาจาร์หลวงปู่ฟันเป็นคู่กันสวดคู่ท่านเจ้าคุณธรรมิเจดีเป็นอุปชายยะของท่านมลเพงหลวงปู่มั่นเป็นผู้เซนในใบสุทธิของท่านมลเพง ที่นี่เรามานึกหวนที่นี่เวลาเราอยู่กับหลวงปู่มัน่นทันเทศอันหนึ่งหนักเบ้อเกินอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่มามากแล้วพวกเราถ้าอายุแกแล้วนีนาจะอาจบินถวาดพอไรฉันแล้วก็รีบพาการเก็บตัวปฏิบัติเสียเนอเดี๋ยวจะตายที่เปล่า ไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กไม่ได้ที่เที่ยวชมบ้านนั้นบ้านนี้เมือง น, นั้นเมือง น, นี้ต้องรีบตัวปฏิบัติเดี๋ยวจะตายทิ้งนะท่านพูดเป็นภาษากลางเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคาํากลางไม่ใช่ว่าเฉพาะผูใ้ใดผู้หนึ่งคำมั น, นี่ดูว่าติดอกติดใจมานานที่นี้พอมาอยู่ที่ห้วยทรายนั่นอยู่กับหลวงปู่มหา 3, สามรษาเนะี่ยแต่หลวงปู่มหามาอยู่ก่อนเนี่ย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 ค่ายกับผมเอาบิดามารดาของผมมาทับถมเขาอืเพราะใครก็จะว่ามารดาอาจารย์มารดาอาจารย์มันก็ไปทับถมพวกเขาที่อายุพรรษาแก่แม่ขาวอยู่นี่จะไปกระทบกระเทือนผู้ที่เขาอยู่นี่ท่านก็นึกดีเหมือนกันหลวงปู่มหาจําเป็นเราจะไปไปบวชอุดรพอบวชอุดรแล้วหลวงปู่มหาก็พามารดาลงไปจันบุรี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 ถ้าผมจะเอามาบวชมาที่นี่มันมาทับมาถมเขาไม่ได้ข้าก็ว่าเราผมมาผมเห็นเขาทางอ้อมท่านพูดท่านพูดละเอือดเหมือนกันหลวงปู่มาหา <c oughs> <c oughs> เราก็อยู่ที่นั่นปีหนึ่งเขารบคำสั่งของท่านมีท่านอาจารย์สมผู้ไปตายอยู่แม่เม่อยังไมนะ้นั่นเป็นหัวหน้าแล้วก็บังหลังท่านอยู่ พอออกพรษาแล้วเราก็ลาท่านมาพักอยู่ที่พูเก็ตนี่พรรษาหนึ่งมาอยู่องค์เดียวที่นี่แล้วนึกหัวนึกในใจว่าเออเราไม่ใช่ช่างแต่ปลอกอยู่กับภูบาอาจารย์มาหลายท่านหลายองคแล้ว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 คอนน้ำมาไม่คอนน้ำก็ยังอยู่ทุกวันนี่นึกว่าจะเอามาใส่ไฟคุณสวัสด์มาให้เอาคุณสวัสด์แย่งไว้ไม่เหน่นึกแนขวันว่าจะมีกุฏิวิหารขนาดนี้ดอกนึกดูแล้วว่าเออวัฒนาของเราในยาวมากกกุฏิสองหลังอะอย่างั หรือสามกับตัวทศนั้นะไอย่างนี้ก็กลายมากไปเสียแล้วเรลยบบ่าไปแล้วหลวงปู่หลวงปู่มั่นหลวงปู่มหาเคยเทศบ่อยจะทำอะไรต้องดูกำลังของตนเคยเทศบ่อยกำลังของตนในห้ากิโลไปแบบสิบกิโลกำลังหักตายท่านพูดอย่างนั้นท่านเคยเทศอันนี้เป็นพาสิทธิ์ที่สำคัญมากเนี่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 อยู่นานหลายปีอยู่แล้วจึงมาต่อออกอีกต่อออ ก, อ, กอีกคุณว่าประธานทศหลวงปู่มาเจอที่นี่ได้อย่างไงครับโอ้ก็เพราะว่าอยู่ที่ภูเก้าอยู่ที่ภูเก้ามันเป็นตำบล น, น, นี่เขาเที่ยวไปใส่บากอยู่พวกนี้พวกวงของคุณอินถวายนั่นเองรู้จักไหมคุณอินถวายไม่รู้รไม่รู้นะคะอยู่ เขนี่ม้วนทน<า>น่นมาอะไรครับมาเนี่ยม้วนมาเขาก็มีลูกไม้เหมือนกันเนี่ม้วนพระผูเป็นเจ้าไปพักปูเจ้าก็จะสามวันสี่วันก็ตามพอมาพักมาพักเราก็อยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างเขาก็เอาผู้ใหญ่บ้านมาปรึกษาทีนี้อยู่ข้างล่างสิบห้าวันแต่ให้ท่านอยู่ข้างล่างนี่ไม่ได้ เพามันคับแคบเกินไปพวกเราจะทํำยังไงเขาพูดกันแล้วก็คอยฟังตรงนี้เราเอานโมทนาเราก็ไม่เอานโมทนาคัดค้านเราก็ไม่คัดค้านเขาจะออกเสียงกันไปยังไงเราก็ต้องฟังอเพวกเรามารักษาศีลก็จะมายัดเยียดอยู่นี้เพราะทำคัแคบทําอันนี้ขุดเข้ามาน้าเนี้ยขุดเข้ามาอีกขุดดินเข้ามาไม่ได้ขุดแต่ในระหว่างพระพุทธรูปน่ะเป็นตามเดิมตามเดิมที่เขาทําไว้ เขาก็เลยมาทำกระนาหรือกระต๊อบฝางให้ที่นี่ข้างบนนี่อารมพัดมาเขาคุยตรงเตงีตงตรงเตงกวยไปกวยมากวยไปกวยมาเนี่ยกวยอยู่อย่างนี้เสาเท่าเท่าแข้งเสาไม่จะแบกที่นี่เสือมันมีมากเลยอยู่ตามนี่มองไปข้างบน่ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยมีแต่ต้นไม้ตตโตๆกวงข้างใน เป็นโพงข้างในต้นตะแบกหักลงปีเลวสองต้น3ามต้นสี่ต้นลมพัดมาเสียงบุญเสียงกรรมอยู่นี่งูกระบะก็ต้องขึ้นกุฏิทุกวันเพราะมันขึ้นไปหาจิ้งจกที่อยู่ในฟางเขากั้นฟางแล้วเขาก็มุงฟางด้วยพอหลวงกดนี่เนี่ย ข, ขนาดนี่ขนาดห้องนี่แหละลมพัดมาก็กลวย ไกวตรงเต่งตรงเต่งตรงเต่ตงตอยู่สามปีทรมานอยู่นั่นเป็นกระต๊อบผีอยู่นั่นสามปีปูฟากปูฟากไม้โกที่ล้างภูนไม่ลำขนาดนี่เวลาเขาแผลออกแล้วมันก็นเท่านี้นี่นี่คุกคักกอวบามาตั้งไว้นี่ฟากมันคุกคักกะก็มีงูมาขดอยู่ในที่นี่เกือบทุกวัน ทุกในตายโลกธาตุเนี่ยมันมารวมอยู่ที่อาตมาคนเดียวคนอื่นไม่ได้เป็นทุกดอกอาตมาแล้เหมอเอาหมดแล้วค่า ย, ยกับมันเป็นอย่างนั้นน้ำก็ต้องควนมาจากหัวข้ออยู่มาอยู่มาสามปีสามปีเขาก็ททำกุดให้หลังหนึ่ง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 เป็นวินาทีไปก็ไปเป็นวินาทีเหลือนอกนั้นเป็นอดีตเป็นอนาคตนอกเรมาขนาดนี้แล้วก็เราเย็นทีนี่การจะไปก็ไม่มีการจะอยู่ก็ไม่มีก็เลยไม่สนใจในเรื่องอยู่เรื่องไปนี่ก็สนใจแต่ในเรื่องปฏิบัติตามปภาษาของตนทีนี้ก็เลยสบายทีนี้ร่วงไปล่วงไปร่วงมาล่วงมาล่วงมาล่วงมาก็มูเพื่อนก็มาด้วยมูเพื่อนก็มา ได้ยินข่าวอะ่ะองค์นั่นอยู่นั่นองค์นี้อยู่นี่ก็มาเยี่ยมมาอะไรเข้าแล้วก็กดมีกุฏิวิหารขึ้น ก, ก็แก้แก้ขึ้นอีกแล้วทีนี้เช่นไฟฟ้าจะมาก็ไม่ได้พิธีไพิษานอะไรพัฒนาเขามาถามลพบปูจะเอาไหมไฟฟ้า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 จนใจในเรื่องน้ำทีนี้ถ้าทํากุตติที่นี่น้ำไม่มีถ้าไม่มีที่ไหลาจากล้างคาก็ไม่มีอะไรจะฉันเชื้อแล้วอันนี้กระจะจำเป็นต้องทําล้างคาจำเป็นก็ต้องทำํำทางน้ำที่นี่การทําทางน้ำที่นี่มันเป็นของลาบากลาบนเหมือนกันเอามาทิ้งว่าตีนเขานะ่ พวนักเรียนเข้ามาค้นช่วยเนี่ยครับพวกชาวบ้านเขาก็มาช่วยเหมือนกันเขาสงสารเข้ามาช่วยด้ยวยความสงสารเพราะอดน้ำเราไปซื้อหินซื้อทรายมาจากมุกไม่แพงเขาขนขึ้นมานี่จากตีนเขาเนี่ยนี่เนี่ยมันกองทุก ทางก็เหมือนกันไม่ต้องการจะทําสะพานก็เหมือนกันสะพานมีผู้มาอาสาทำํำสะพานอันเล็กๆ ก, กันเจ้าของมาเลยพระเปะ็นผู้มาทําสะพานอันเล็กๆหนอันกว้างหนึ่งเมตรเห็นเห็นไหมเห็นท่านที่รามาทําผมจะมาทําสะพานท่านอาจารย์จะว่ายังไง ก็ไม่ว่าอย่างไงแล้วแต่ชาวสวนเขาก็ต้องการอยากได้อยู่เพราะเขาข้ามไปมาลำบากขอให้ก็ผมจะไปชวนชาวบ้านทำเพราะไม้ของเราก็มีอยู่ในทิ้นที่แม่อดออแล้วขอให้ท่านอาจารย์เซ็นให้ผมจะเขียนหนังสือ ผมไม่เซ็นถ้าผมเซ็นผมก็เป็นคนแผ่คนขอผมไม่ต้องการมีกิติศัพท์ทางแผ่ทางขอท่านสามารถทาท่านก็ทำท่านไม่สามารถทาก็ไม่ต้องทำผมไม่เซ็นให้ถกลงท่านชีาก็เลยทำเองกับโยมที่นี่หลวงปู่ยา์ก็มาช่วดที่สะพานโตโ ต, ตนี่อีกเหมือนกันเนี่ยสะพานัวโ ต, วตวทีข่ข้ามผ่านไปมานี่ ก็ไม่ใช่เราเป็นผู้ไร้เริ่มขึ้นนี่พวกชาวสวนเขาอยู่ทางนี้เขาขัดข้องเขาคัดข้องเขาไปบอกล้านเขาว่ามึงไปอยู่เมืองเล่เมืองดีบุกที่ทางจันบุรีที่บ่อกแก้วนะมึงก็มาช่วยกูทาสะพานบ้างกำนันบบผันเออถ้าอย่างนั้นก็จะชวนหมู มาเขาก็ทำพิธีมามาทอดพ้าปาเงินจำนวนนั้นเป็นเงินห้า0มื่นทั้งหมดก็เป็นเงินแปดหมืนที่นี้มาทำมันก็ไม่พอไม่พอก็มีท่านผู้ช่วยขึ้นไปอีกอยู่ในราวแปดหมื่ก็เลยเสร็จปันกันไปนีถ้าเราไม่ทำถ้าเราจะคัดคาดคือ แล้วก็ตายคอนมายางอยู่แปดปีแล้วนี่ยแปดปีไตค่คอนมายางอยู่นั่นน้ำบางปีกว่านี่ไต่คอนมายางอยู่บางปีก็ขําไม่ได้เขาต้องส่งเรือมาไปบินทบาดข้างนทางทางนี้แต่น้ําขึ้นไม่พอสามสี่วันหอกก็แห้งไม่เหมือนน้าทางทุ่งเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นที่นี่อยู่มาอยู่มาอยู่มา ก็มีผู้มาทำให้สมศักดิ์ศรีทำให้ทำทั้งน้าให้ทำให้กุฏิหลังหนึ่งนี่หลัง น, ง, นลงนี้ก็ของของเขาเนี่ยหลังนี่ของเขาแต่ว่าเมื่อไม่พอเงินกุศลาเรามีเราก็ต้องทำช่วยเขาบ้างาอย่างนั้น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 เรื่องพุทธาพิเศษพิศาก็